เมนูหน่า160นะครับวสุวิธีอ่าสิบอนหนึ่งพระราชาก็ดีอ ม, มาก็ดีทางก็ดีข้าบดีก็ดีถึงส่งทรัพย์สำหรับแลกเลี่ยญจีวรไปเพื่อพิสูจโดยทู่ตัวแทนด้วยสั่งไว้ว่าเธอจงซื้อจีวรด้วยทรัพย์สำหรับแลกเปลี่ยนจีวร น, นี้ถวายแก่พิสูจชื่อนี้ ถ้าว่าทูตคนนั้นเข้าไปหาพิสูรรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับทรัพย์สำหรับแลกเปลี่ยนจีวร น, นี้ข้าพระเจ้านํามาเพื่อท่านขอท่านจงรับเอาไว้เถิดพิสูรรูปนั้นพึงชี้แจงกล่าวทูตคนนั้นอย่างนี้ว่านี่แหยโย่พวกเรารับทรัพย์สำหรับแลกเปลี่ยนชีวรไม่ได้หรอก พวกเราเล่าได้เฉพาะจีวรที่ถูกต้องตามการอวรนถ้าว่าทุกคนนนกล่าวอย่างนี้กับพิสูรรูปนะั้นว่าก็แครใจผู้เป็นวั ย, ยาวัชกรคนช่วยเหลือของท่านมีอยู่หรือดูกรพิสูจน์ทั้งหลายพิสุรผู้ต้องการจีวรคือแสดงหนารามิกฉชนคนวัด หรืออุปาสให้เป็นวา ย, ยาวัชกรว่านี่แหยโยคนนี้แหละเป็นวา ย, ยาวัชกรของภิกษุทั้งหลายถ้าว่าทูตคนนนสั่งผู้ที่เป็นวา ย, ยาวัชกรนั้นให้เข้าใจดีแล้วเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับ บุควรที่ท่านได้สแสดงเป็นวา ย, ยาวัจกรนะข้าพระเจ้าบอกให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาการที่สมควรเธอเขาจับสวายจีวเแทนท่านดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุผู้ต้องการจรีวรเข้าไปหาวา ย, ยาวัจกรแล้วพึงทวงพึงเตือนสองสามครั้งว่า โยอาตมาต้องการจีวรเมื่อทั่วเมื่อเสือสิสองสามครั้งแล้วได้จีวรมาสําเร็จการได้มาเช่นนี้ไม่มีท่อถ้าว่าไม่สามารถได้จีวรมาสําเร็จคือยืนนิ่งนออกต่อหน้าได้สี่คั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมาก เมื่อยืนนิ่งนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งและพึงได้จีวรนั้นมาสำเร็จการได้มาอย่างนี้นั้นไม่มีโถทษถ้าว่าพยายามมากกว่านั้นได้จีวรมาสำเร็จต้องอาบัตปาสิตรีที่มีการเสียสลับเป็นวินัยกรรมถ้าไม่สำเร็จ สร้างสําหรับแลกเปลี่ยนจีวรอันเขานํามาเพื่อพิสูจนั้นจากที่ใดพิสู่รูปนั้นพึงไปด้วยตนเองหรือส่งตัวแทนไปณที่นั้นด้วยคําว่า ท, ท่านทั้งหลายส่งซากสำหรับแลกเปลี่ยนจีวะไปเพื่อพิสูรูปใด ต้มนะหาได้อำนวยประโยชน์อะไรอะไรแก่ีิสู่รุ่มนั้นไม่ท่านทั้งหลายจงติดตามซื่อซ้ำของตนส้ำของท่านทั้งหลายอย่าได้เสียหายไปเลยการทำเช่นนี้เป็นวันปฏิบัติที่ดีงามในเรื่องนะวังที่หนึ่งที่ชื่อว่าปฏินวัชจบ โอแค่หวข้อสืขาหมวก้อยาเนั้ยนะครับจที่ิบายปักข้าวครับครับเดี๋ยวนจะอธิบายข้าวครับนี่ครับข้อนี้เป็นยังไง ท่านบอกว่าอพระราชาก็ดีอ ม, มากก็ดีพานก็ดีข้าบดีก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างมานะใครก็ แ, กแล้วแต่จะไม่ได้เป็นพาเป็นพุทธเป็นพุทธกษัตริย์วันหน้านั่งนพามข้ามบดีนะครับผู้องเหนือของผู้มีสักผู้นี้นะอันนี้พขส่งเงินไปนะครับเข้าฝากเงินไปกับใครคนใดคนหนึ่งนัเป็นตัวแทนทันติวัตถุในที่นี้นะครับแล้วก็อาจารย์คนนี้นะ เอาเงินเนี่ยไปซื้อจีวรนะคะแล้วก็ไปถวายพระแต่ผู้นี้ไม่รู้เรื่องเอาเงินไปถวายพระเลยเขาบอกคุณเอาเงินไปซื้อจีวรก่อนหนะ้าแล้วก็จีวรมาถวายพระแกไม่เข้าใจรหรือว่าพี่เขียนไปหานะ้ำบาข่องเงินนไปถวายพระเลยแล้วก็บอกเนี่ยของพี่เงินสําหรับซื้อจีวรนะโยมคนนั้นเข้ามาเนี่ยเจาะรงถวายที่เลยพี่เล่เาลไม่ถึกครับอย่างนี้ น, นะครับ อันนี้เขาบอกว่าความเจียงอปัจจัยนั้นตอนแ้ามันมาถูกนะไอ้ตัวชายยกเขาใช้คําพูดถูกต้องนะครับให้ไปซื้อจีวรก่อนมาถวายพระแต่มันกลายเป็นของที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไอ้ทู่เนี่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมไปจีวรมาถวายพระเป็นตรงนะครับเอาเงินน่ะมาถวายพระเป็นตรงก็เลยไม่ได้นี้ครับเมื่อเข้าเงินมาถวายเรตรงนี้ทํายังไงถ้าเขาปฏิเสธได้อย่างเดียวนะครับ ไม่โยกนะไม hey. well, kind of ่ควรกับชุมนาเดี๋ยวจะมาท้าหนุนน้องของไม่น่าก็บอกไปปฏิเสธอย่างเดียวนะครับอันนี้ยังบอกว่ายอะไรไม่ได้นะปฏิเสธก่อนแล้วก็ช right. ี้แจงอย่างพูดชี <t <t ้แจงอันนี้เราจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แล้วแต่นะในสุภาษเรื่องพูดชี้แจงมากเนี่ยพวกเราเั่าซ้ำถึงน่าเปลี่ยนจีวอไม่น่ายอมพวกเราเล่ได้เฉพาะจีวอที่ถูกต้องต่างๆ่า้ควญนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าพูดได้ บอกว่าเนี่ยเราเล่าได้แต่จีวรเล่เท่อนี้ไม่ได้ใช่ไหมคำนี้ก็พูดได้นะครับเพราะถือว่าไอสิ่งของนั้นน่ะเข้ามาจับจงจะมาถวายเราแล้วสามารถที่บะพูดได้แต่ทํานดาอยู่ดีๆไปพูดขึ้นไม่ได้นะครับนี่นะอันนี้เข้ามันจับจงแนละ้วเพราะว่าสามารถหยีบพูดได้ก็บอกไปเลยว่าเป็นนี้นะครับทีนี้พูดเนื่องจาเขานู้เขาฉลาดนะถ้าเป็นศึกษาศาสนามาบ้างรู้จักมายงวายานะครั บ, ษษ บ, าารบเขาหาหาวายาเลย ใครเป็นวัวยวจกร์ของท่านครับอืมนะหรือว่ามีอยู่หรือพิสุก็บอกไปเลยนะครับใครนะ่ะอไม่เคยชนคนว่านะครับที่อยู่แถวนั้นนะก็ถ้ามีวัยวัจกรมีใช่ไหมครับเป็นผู้หญผู้ชายเขาแล้แต่เราก็บอกไปเลยยมจะลงใจยมผูมิแม่เป็นวัยวัจกรนะครับหรือว่ายอมนะอันนี้นวัยวัจกรที่มีอยู่แล้วนะครับหรือยอมที่ เป็นค่าคุ้นเคยรู้จักนะครับรู้จักคุ้เคยอย่างนี้เนาะเราก็บอกว่าคนนี้เป็นวายมวจศกรเราก็พอได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยอยู่ดีแล้วก็บอกโยกคนนั้นแหนะเปไ็นวมยุวจศ ก, กรอันนั้นนครเงินของทางโยกอาจจะหายบ้กไปอะไรก็ได้ <c ười> ใครสมมติเข้ามาว่าดคนหนึ่งนะแล้นเราก็ไปชี้งวงนี่นะอันนั้นไม่ได้ะครับมันมันจะไม่เคยประโยชน์นะ ถ้เาเอาเงินแล้วพออันนี้หายไปเลยนี่ครับแล้วก็ดูรขาการแสดงวิญญาณนะทีนี้เมื่อเราบอกแล้วใช่ไหมบอกว่าเ น, นี่นยคนนี้แหละเป็นวิญญาณบัญกรของที่จุดทั้งหลายทูนนั้นก็จะไปสั่งในเรื่องนี้นะครับพูดถึงก็ไปหาวิญญาณบัญจกรใช่ไหมเอาเงินทองแล้วให้เขาเรียบร้อยแล้วก็สั่งไวนะ้เนี่ยว่าให้จัดหาจีวรถวายพระคุณเจ้าด้วยวนะเวลาคุณเจ้าต้องการนะครับ เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กลับมาบอกท่านนะครับตามนี้แหละนะว่าบุคคลที่ท่านแสดงวัยุวัจกรนั้นเขาเริดทราบอกให้เขา้าใจแล้วทา่านจงเขาเ้าไปหาเขาในการที่สมควรเถิดเขาจะถวายจีวรแก่ท่านคือเมื่อได้่นานตอการชีวรอ่ะท่านเข้าไปหาเขาเาขาถิะแล้วเขาจะจัดหาจีวรมาถวายท่านนะครับพรองค์ก็ตมมั้งนะครับถึงวิธีการทวงกรรมวายวัจกรน่ะว่าต้องทวงแบบไหน เนี่ยผู้ลงจับว่าดูก่อนที่ทั้งหลายที่สุดผู้ต้องการจีวอรคือว่าเพิ่งเข้าไปหาวัยาวัจกรแล้วเพิงทวงเพิงเตือนสองสามครั้งนะครับได้นดอย่างมากสามครั้งว่าโยมอาตมาต้องการจีวอรใช้คำอย่างนี้นะครับคําที่บอกความประสงค์เฉยนะใช้คำ น, นี้เลยนะครับอันท้องอันสุทธิ์จีวะไรนะหรือว่าคําพูดที่มีความหมายตรงนี้นะครับ ตมาต้องการประสงค์ปัถนาอะไรนัว่าไปะนะครับก็จะฟังด้วยกันใช้ได้แต่ใช้เป็นบาการสามบังคับเลยโยมจะเอาจีวรมแห้ตมาอย่า <c> ง <oughs> น, นี้ไม่ได้นะครับแล้วเอามาให้ได้ตมาเอามาอย่างนี้จะใช้ในการเชิญฝากบังคับไม่ได้บอกได้แต่ความต้องการความประสงค์ครับเขาบอกเข้าไปอย่า ง, า ง, างนี้แต่ถ้าบอกว่านโยมไปซื้อจีวรมให้ตมา ถ้าพูดอย่างนี้เลยนะอ่าจีวอที่ได้มาไม่สมคูรแก่ท่านนะครับเพราะน้ำบ่อยเขาไปซื้อเหมือนกับการไปจัแจงนะครับจีวอที่ได้มาท่านใช้ไม่ได้แต่ลูกอื่นใช้ได้ถ้าเขาไปถวายลูกอื่นเสับลูกอื่นใช้ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อยังไม่ได้เป็นมิตรคีเรตองแต่ที่ไม่สมควรแก่แกเพราะว่าแกไปทําผู้ไม่ถูกต้องครับ ครับให้ใร uh ูปเดียราเรารูปยได้ให้เราาได้ให้กลาบได้ครับผมเคยถามอาจารย์นะอาจารย์ก็บอกคนนี้ให้กลาบนะครับไม่ให้ขี่นะครับแม้ปัจจัยอื่นก็เหมือนกันนะอันนี้ท่านยกจีวรเป็นแบบเพราะว่ายูนในจีวรละวาดใช่ไหมตาเรื่อนเลื่อนขึ้นครับแม้เลื่อนอื่นเกี่ยววายเกษตรกรจะทวงปัจจัยอื่นใช่ไหมครับ ก็วิธีทวงนี้ดีใจนะครับวิธีปฏิบัติอย่างนี้ดีใจ น, นะอันนี้เมื่อเตือนสติสองสามครั้งแล้วได้มาใช่ไหมก็ดีถ้าไม่ได้นะเลยไปทวงเลยบอกเลยนะครับถึงสาวครั้งแล้วแกยังเฉย อ, อยู่แล้วยังไม่มาขวายสตีนะให้ทํายังไงพระมาต่างบอกว่าให้ไปยืนนิ่งๆต่อหน้านะครับได้สี่ห้าหกครั้งอย่างมากหกครั้งนะยืนให้เขาเห็นหน้าซื่อๆนะครับ ไปบอกอะไรไม่ได้นะตอนนี้ค่อยขีนหน้าเฉยเยไม่ควรละอามิตเข้าจะมาใส่บาตแล้วก็ไม่ละนะครับแล้วไม่แสดงธรรมนะครับไม่อะไรทั้งนั้นนะไม่นั่งนะครับไม่เข้าเห็นอ๋อไม่ใช่จะยึดเข้าเห็นหน่จริถ้าเข้ามาถามเราก็บอกเข้าไหมครับเขาจะบอกว่าไม่นั่งไม่ับอามิตไม่แสดงธรรมนะครับถ้าเข้ามาถาว่าเนี่ยพระคุณเจ้ามาทําไม อัตมาอ่ายอมจิน hey, like ิมตนให้น oh, ั mm ่งนะครับจะถวายทานก็ไม่ลับทไงนี่ยพระกุณเจเราต้องการอะไรมาทาไมเราก็บอกว่ายอมว่าเองนีินะครับพูดในแค่นี้ยอมรู้เองะครับเยนีครับยอมรู้เองนะคร อ่าเใช้สมมูอยังงนะถ้าบอกว่านะครับให้ใช้อย่างนี้คุณจงรู้เองเถอ อ, อย่างนี้นะอยู่ฟวง น, น, นะคุณจงรู้เองเถ อ, <c oughs> อะก็อะอะอะพอได้ ผมบอกให้บอกให้เขารู้แค่นี้แหละนะัลักษณะให้รู้ให้ทราบอะไรอย่างนี้เครับได้ครับเี่ยวว่าบกไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ที่พรู้ไม่ได้ไม่ได้มวงของมันต้องการกี่มงมาเอาอะไรได้บอกับม่่ครับมาเยี่ยมทัร์ไม่ได้ค ไปนี่ยืนิ่งๆะนะครับขยืนนิ่งๆ น, นะจนทีพาไหนนะครับครับตอนแรกสามครั้งัวงครับทวงบอกไปเลยครับว่าอาตมาก็ื่การสีวองน่ครับเป็นตัวทั้งสามครั้งแล้ยังไม่ได้ก็ให้ไปยินนิ่งๆนะครับนี่แ ไ, ไปยืน การยนมันจะมีวิธีนะบอกว่ า, าอันนี้ทวงได้สามยืนได้หกใช่ไครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการยืนในพว่าเราชั่วเอ็นมันเข้าใจกันยากใช่ไหเราเราจะทวงอย่างเดียวหรือนี้ก็ได้การยืนสองครั้งมันเท่ากับการทวงหนึ่งครั้งนะครับเพราะงั้นถ้าเราต้องการทวงอย่างเดียวเนะี่ยไอ้ที่ยืนหกนะครับมันก็จะได้ทวงสามใช่ไหมมันของเก่าที่ได้ทวนสามอยู่แล้วนะครับมารวมก็จะได้เป็นทวงหกครั้งนะครับ ถ้จะทวงอย่งเดียวนะก็ได okay. so, uh, so right. ้สครั้งนครับใช้วิธีนี้ก็ได้หรือว่าถ้าต้องการยืนอย่างเดียวก็อย่าแน่สิสองครั้งคื่อานี้เพราะาที่ทวงสามน่ะตอนแรกไม่เท่ากัยืนหใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้นั้นทวงหนึ่งครั้งก็ยืนสองครั้งาเัีแล้วบวกกับที่ยืนหเนี่ยองหกก็หกบวกหกก็เปนสิบสองเลยะครับใชที่ท่าน ตรงที่เนี่ยเพราะว่าก่อนอันี้ควงไปเลยรับใช่ช่ครับออกชีวิไปแล้วว่าครับไ่ต้งการที่ยอ่คถึงสามครั้งแล้วเนี่่น่าจะพูดกันมากขนาดนี้ครับครับใช่พูดเป็นทวงใช่ไหมครับอันนี้ก็ในกรณีนี้วายานี้ไม่พูดถึงนะครับ มันก็จะไม่ได้นะครับจะได้ในวิญญาอีกประเภทหนึ่งอันนี้อันนี้เขาเรียกวรญญาที่พิสูจแสดงเองนะครับไม่มีการใช้ขีดโดยทวแต่ถ้าเป็นเป็วิรยาที่ทางโยกหรือโยกเ้าแสดงเองนะอันนั้นใช้ถข่ดโดยทวงให้ได้ครับอยงนั้นนะแต่อันนี้ไม่ได้พูดถึงก็เข้าใจแล้อง่าไม่ได้ครับเพราะทำมาได้อนเดียดครับคือว่าเอ่อที่ว่าเป็นทวงเนี่ยหมายถึงว่า เขาดเรื่องครั้งหรือว่าน้เป็นประโยชน์อ๋ออันครั้งหนึ่งครัพ่อเป็นประโย์ครับนี่ครับหรือว่าเป็นคหรือว่าน้ำที่ไหนให้พูดแต่ยืนนะครับอย่างผมผมบอกเนี้ยนะอ๋อน่นนั่นเป็นคำนั่เป็นคำเป็นคำคำนะน่ท่านจงให้เราสามครั้งโดยการพูดนะครับ อันนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดนะแต่ว่าก็เทียบเคียงกับการยืนเนี่ะท่าการยืนพอแป๊บน่นน่นจะเหมือนกั น, นะครับไปครั้งเดียวนะทวงด้วยวาจาสามครั้งอาตมาต้องการชีวอนอาตมาต้องการจีวอนอาตมาต้องการจีวออย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะเพรา่าถ้าเป็นยืนก็คือเหมือนกันเอายืนจีหนึ่งเรับถึงเมื้ไปวันเดียวนห่ะแต่คุณย้ายที่นะ แยงที่เป็นหกตำแหน่งเนะี่ยก็ถือว่าการยืนหมดแล้วครับอย่างงั้นเลยนะครับไม่เอาเป็นวันนะเพาว่าเปลี่ยนที่เป็นเป็นที่เลยนะครับแม้แต่วันเดียวกันในตอนนี้นหลยนะครับเปลี่ยนที่เลย บอกว่าถ้ายืนนั่นนะอถึงหกครั้งแล้วก็ได้ก็เป็นการดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นพยายามเกินกว่านั้นอีกนะพยายามเกินกว่านั้นนะครับก็เกินหกครั้งนยทวงเกินยืนเกินนครับแล้วได้จีวรมาสําเร็จอันนี้ก็จะต้องแบบนักศิลป์ปั้นตีนสิทธาบทนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราทวงอายุในครบกำหนดพอดีนะไม่ได้ มันไม่ได้แล้วเราก็ไม่ไปทําต่อพวกเปลี่ยนอาบัตใช่ไหมคับเราจะทำยดีถ้าบอกว่านะครับสร้างสมบัติเปลี่ยนจีวรอันขาวนํามาเพื่อพิสูจนจากที่ใดคือใครเป็นชายยุที่เขาเอาเงินมาให้บายาเกษตรกร น, นั่นใช่ไหมเราก็ไม่บอกคนนั้นหนะครับไปบอกเองก็ดีนะหรือว่าส่งผู้ส่งผู้อื่นไปบอกก็แล้วแต่สมัยนี้ก็ทำหนังสัพไปบอกเลยบอกอยังไงล่ะก็บอกว่า ท่านสงายส่งซ้ำสงฆ์แรกเปลี่ยนชีวงไปเพื่อวิสุรูปใด้ซ้ำนั้นหาได้อํานวยประโยชน์อะไรอะไรแก่วิสุรูปนั้นไม่สำนวมสารนี้ก็ธรรมดาก็ได้นะโยมส่งเงินไปให้ยายาพุทธกอรเพื่อใประหารจีวรให้พระใช่ไหมนะครับนั่นนะไอ้ซ้ำรูปใด้นะไอ้เงินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแกตมาท่านโยมแกพระเลยเพราะวายากแกเมื่ส่ ง, ร Humans, สง Arrow, ประหารให้ใช <carro> ่ไหมครับ <Bol classified NO? 60> ท้านทั้งหลายจงติดตามซาบของตนซากของท่านทั้งหลายอย่าได้เสียหายไปเลยนเนี่ยก็ต้องไปบอกข้อในเร่านี้ถ้าไม่ไปบอกนะเป็นไรก็จะเป็นอาบัติผู้กดเพราะว่าเป็นการเสียข้อวัตรนะครับอันนี้เป็นข้อวัตรนะในปฏิบัติที่มีงานเนื้อนั้นนะครับเนื้เขา อ, อย่าได้ไม่ต้องสิอมหาเดือดตีเนี่ยไม่เสียต่ปอปาใช่ไหมครับไอข้อที่มีเอตายนจต่างามีสีเนี่ยค เ น, น, นะนี่เป็นสายมหิดการที่เจอนะสองที่นะเป็นอันประกอบครับข้างหน้านี้ไม่แน่ใจแล้วถืว่าเหมือนกันนะในป้ายที่เราจะเจ อ, อีกที่หนึ่งใช่ไหมในอันนั้นก็ลงนครับใ น, นเรื่องบวชคนที่มีอานุยักว่าสิบสองปีนะนั่นก็หมุนกันนะครับเป็นอาาันประกอบอันนี้นะครับส่ามนี้เป็นนี้ได้แล้วที น, นี้ก็มาดูไงนะข้อควาสร้างเพิมเ่มเติมเนี่ยตรงนี้นะครับ เพาะตรนี้พ well nice yes. <c oughs> you know, ูเกี่ยกับวิทยวัสกรนะถ้าตามสิทธาบทนี่ถ้าพูดถึงวิทยุวัสดุประเภทแรกคือวิทยุวัชกรที่พิสูจน์เป็นผู้แสดงเพราะว่ามิโยเขาจะเาเงมาถวายเราปฏิเสธใช่ไหมคะและเขาหาหาวิายามวัสดุแล้วเราก็บอกเขาไปใ่ไนี่ว่าวิทยุวัชกรที่พิสูจน์เป็นผู้แสดงวิธีการทวงการอะไรก็คือตามสิทธาบทนี้นะครับเกี่ยวกับวิยยมวัสกรและการทวง ไม่ใช่ว่าจะมีวิธีปฏิบัติเหมือนกับที่เห็นอยู่ในสิกขาบท น, นี้เสมอไปไม่ใช่อย่างนี้นะต้องรู้ด้วยวายกรรมจะกรบางประเภทก็ไม่มีสิทธิ์ทวงเลยนะครับก็มีนะมายากวงไม่ได้เลยจึงควร้ราบหลักเกณฑ์ดังนี้หนึ่งความจริงอนะ่ะวยกรรมจักรเนี่ยถ้าเอานย่อยอก็เป็นสี่ถ้าจะแตกละเอียดก็ได้เป็นสินะ บ, บสอย่างครนะับเราสี่ในนั้นท่านจะแตกนย่อออกมา ได้สิบเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ที่นี้จกก่จารย์ก็แตะให้เราเป็นสี่เราสามารถมาแตะคนนี้ได้นะครับหนึ่งวัยวัจกรที่พิสูจน์เป็นผู้แสดงเมื่อพิสูจน์ปฏิเสธไม่รับเงินแล้วถูกข้อถามว่าใครเป็นวัยวัจกรจึงแสดงคนที่นั่งอยู่ต่อหน้าให้ทายกมอบเงินสั่งวัยวัจกรต่อหน้าพิสูจว่าช่วยหาสิ่งที่สมควรถวายแก่ท่านนะความคิดท่าแบบเป็นข้อยอดข้อนี้ได้ข้อ น, นึงนะครับ เราปฏิเสธเข้าถางมายังเป็นสุภาพเราก็บอกอะไรคนที่อยู่ต่อหน้าใก้ๆนี้นะว่านี่ไงอย่ า, เเย า, เเ า, า, างภูมิแม่เนี่นนยคือมายาแล้วก็ออไปไปบอกให้อย่างนั้นเลยครัไอ้ภูมิแม่ก็นั่งตรงนี้แหละนะแล้วเขาก็เอาเงไปมอบให้วายาภูมิแม่งั้นแล้วก็สั่การกันต่อหน้าเราเลยนะอันนี้นะครับอยู่เพ่นแรกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มากลับมากลับมาบอกเราอีกทีนึงนะครับว่าโยมได้เอาเงินไปให้มายาแล้ว น, นะถ้าต้องการอะไรท่านก็บอกเขาได้นี่นนะครับถึงเขาไม่ได้กลับมาบอกเราอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะทวงได้าสามารถที่จวงหน้าเพราะเขาสั่งการกันต่อหน้าเราครับนือเป็นแรกนะครับ<ฮ>หรือพิสูจน์แสดงคนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าเข้ามาอยู่ตรงนั้นนี่ว่าคนชื่อนี้อยู่บ้านนู้นเป็นวั ย, ยพิเศษกรนู้นโยมจะลงใจในตำแน่งนู่นโยมเป็นวั ย, ยพิเศษกรบอกไปเลยนะครับแทนยกกเงเงินไปหมอบไว้แล้วก็สั่งให้เข้าใจแล้วกลับมาหมอบ เขาไมอคขับรถไปใช่ไหมไปมอแล้วก็บอกคุยกับาญารเรียบร้อยแล้วกลับมาบอกเราครับอันนี้ก็แต่งได้เป็นประเภทประเภทที่สองหรือว่าคนหนึ่งมาแทนเขาไม่ม้ามันลำบากใช่ไหมขับรถไปแล้วกลัมาทําไมถ้าจะกลับนะครับเขาก็มาคนอื่นหรือบอกวาญานะครับบอกยี่งตงใจนะอ้าวเพื่อมาบอกข้าด้วยนะอย่างนี้นะคะก็ฝังการนะบอกข้าว่าเนี่ยถ้าท่านต้องการอะไรนะก็มาบอกกับวาญานี้ได้ อันนี้นะครหรือบางคนอื่นมาแทนหรือบอกกับพี่สุก่อนไปนะครับอันนี้บอกไปเลยนะว่าโยมจะเอาจะขอให้คนนั้นช่วยท่านจะบอกสิ่งที่ต้องการกันสมควรกับเผาเถิดนะครับโยมจะขอให้คนนั้นช่วยหรือบอกไปเลยนะโยมจะเอาเงินห้าจีว่าห้าอะไรไปให้คนนั้นหน้าพี่แล้วก็ให้เขาช่วยจะหาจีว่ให้สิ่งที่ต้องการเมื่อไหร่ก็ไปบอกเขามาต่ารต้องการกีว น, นี่ก็ได้อันนี้นะเขาสั่งการเขาบอกเราก่อนแล้วก็าเองินไปให้วายาช่ครับแล้วจริง เ, เงินไปมอบกับคนนั้นวิทยุจุฬาภรณ์นี้มีวิธีการทัวดังที่แสดงในสิกขาบทน<อ>ี้คือทวงได้สามยืนได้หกนะเมือนนสิกขาบที่แหละ <c oughs> ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยวยาล่ำหลังนะที่เขาไม่ได้สั่งต่อหน้านะครับ <c oughs> เขาไม่ได้มอบเงินสั่งการกันต่อหน้าเราใช่ไหไวยวาล่ำหลังเนี่ย สาระมยายาที่ว่างมานี่นะครับไอตรงนี้น่ะเขาต้องมาบอกเราเท่านะั้นนะครับเราถึงจะทวงเขา้าหน้าถ้าเขาไม่มาบอกเราเราทวงไม่ได้นะยูดีเราบอกว่ายะเกษตรกจะดงใจอยู่ข้างล่างใช่ไหมเขาสับรถเอาเงินไปบอกให้กับโยงฉดุงใจนะครับแล้วก็สั่งการกเงียบๆว่าหาจีวงจีวงแลวให้ผาด้วยนะครับแล้วไม่ยอมกลับมาบอกเราเลยไม่ได้บอกกล่องด้วยเขาขับรถไปเลยนะครับอย่างท <c oughs> <c oughs> ี่เราทวงไม่ได้เลยนะ ไม่ม nh ีสิทจุดทวงเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาบอกเราครับแล้วบางทีเป็นอย่างนี้เยอะนะในเขาไม่รู้อันต้องกถามมาบอกได้ไหมถ้าไม่รู้ไม่อยากนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละนั่นเราไม่มีสิทธิ์ใดนั่นไม่มีสิทธิ์ทวงบอกอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กลับมาบอกเราครับคือว่าเกิดะไรแบบนี้ก่อนจะเป็นแบบปกติมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ยมโราของเราช่นหครับก็คือเาเคโนาร้นจมาหน้ได้้ราก็ถือว่ายมโพรนาแล้วก็ถามแ่วถ้าเกิดเป็นเเนี้มีคนเข้าไปแล้วไปรยงนี้มาบอกเราแต่เราไปถมก็ไม่ได้อ้มถึงวายคุณนั่นเขาเคโนาราไว้ใช่ไครับ ไม่กลับมาดีแล้ันะเขาต้องหาหาวิญาณเราดีถึงจะแสดงวยญาณได้นะใช่ครับครับ่ะพราหาหาแล้วแล้วก็ระบุวิญากันแล้วใช่ไหมครับนยอดไปู่นในโยครับเข้าไปบอกนิ่หน่อยแล้วก็ไปเลยเราก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าหม่ยถึอแต่เราเข้าใจว่าเขาออกไปแล้วอ่ะแล้วเราไานคดอเงี้ยครับอนนี้ก็ทวงไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นโย่อเราได้เราขอได้ ถ้าวายานนั้เป็นพ่อเราหรือว่าเป็นปวนาเราเนี่ยเรก็ขอเขาได้อยูนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้าข่งก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่ปวนาด้วยเป็นวายาคนเดีเราไม่ถามาว่าไอ้โยมมีปวนาจาอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอว่าทวงไม่ได้อะไรอย่างี ก็ไม่ทวงแล้วครับท่านอยู่อ่ะปรวนาอะไรครับแต่ถามนีก็เลยปรวนาสิถ้าไม่มีถ้าไม่วงเลยนะมันติดที่ว่าคนนั้นเขาไม่ใช่ปรวนาครับที่แบบนี้อาจารย์จะบอกว่าไม่พูดอะไรไม่ได้ครับ นะถ้าเราจะถือแบบหน่นะครับคือหนักอะไระครับไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ได้บอกนะครับได้เวอ๋อมากกวานี้ใหจก่อนนะครัถึงจะจบก่อนสองวิทยบัจกรที่ทูตแสดงให้พี้สูตรไม่มีวัยยบรจกรนะครับหรือไม่อยากจะจัด ก, การนะกับเรื่องนี้เพราะยุ่งยากนรับอุ่นลำบากยุ่งยากท่านไม่ต้องการทำหรอกถ้าาจจะมากน้อยอะไรนะ ที่ว่าไม่มีวายุวายังไม่โบกนานล้วก็อยู่ได้ปัจจัยที่มันก็เหลือเฟือใช่ไหม <S 2> <S 2> ยามตะพาคก็ไปได้นะใช่มันต้องการจัดการเร่องนี้นะครับท่านจึงบอกว่าวัยาวัชกรไม่มีนะครับทายก จ, จึงเอาเงินหนุ่มอบไว้กับคนที่ผ่านมาแคนะ่นั้นเนี่ยทายก็ทําเองหมด น, นะครับเราปฏิเสธเราไม่บอกวายาก็ไม่บอกนะนี่นคะครับพร้อมกับบอกพิสูจว่าท่านจงรับสิ่งของที่สมควรกับคนนี้นะครับ หรือเข้าไปในบ้านเอาเงินฝากไว้กับคนที่ตนรู้จักและกลับมาบอกหรือวางคนอื่นมาบอกหรือบอกไว้ก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะเนี่ยมีบอกมเลยนะว่าโยมจะขอให้คนชื่อนี้ที่อยู่บ้านโน้นช่วยท่านจงบอกสิ่งที่สมควรแก่เขาเถิดนะอันนี้แสดงว่าย่ามาคาดทาง์ยุนี่เขาฉลาดมากน้นะเขาจัดการอะไรเองเสร็จนะแล้วก็มาบอกเราเราไม่ต้องแสดงวิญญ า, ง, างเลย วายรจักรประเทนี้นะครับที่สูตรสามารถทวงได้โดยไม่จํากัดจนกว่าจะได้สินของเป็นพันพันก็ได้ะครับน ะ, ะจนกว่าจะได้ของอะไรนะครับเพราะว่าเป็นวัยร้ายจักรที่ทูเขาแสดงเองน ะ, ะทิพย์ยังเขาแสดงเองทวงได้เรื่อยๆจนกบเป็นได้ของถ้าเขาไม่ช่วยหาให้นะครับที่สูตสามารถตั้งคนใหม่เองได้เลยโดยจะแจ้งแก่เจ้าของเงินหรือไม่ก็ได้นะ คำว่าตั้งคนใหม่ที่นี่หมายความว่าไปบอกให้คนอื่นช่วยไปทวงให้เราเนั้นเองครับไปบอกพยองคนอื่นเนี่ยแล้วช่วยไปทวงให้เราหน่อยแล้วก็เล่าเรืวว่องฝันแว่านี่ๆๆนะมีคนเข้าปัจจัยไปไว้แล้วก็คนนี้ช่วยแล้วเขาก็ไม่ยากช่วยหาให้อะไรให้ตาา่อมาแล้วคนนี้ก็ไปช่วยทวงได้นะครับถ้าคนนี้เขาเป็นธุรลไปจัด ก, การช่วยทวงให้เรานะแล้วก็ไปบอกเจ้าพานะรับว่าให้คนนี้เขาไปช่วยทวงให้นะ พอวายาคนแรกเขาไม่หาให้นะครับแล้วก็บอกคนนี้ไปทวงไปจัดการให้นะครับ น, นี้แต่ถ้าไอคนที่เราไปวานเนี่ยให้ไปช่วยทวงให้เนะะี่ยเขาไม่ช่วยเหลือเรานะครับเราก็ไม่ใช่เป็นต้องไปบอดเจ้าภาพบอดคนในกรณีที่เขาไม่ชื่อเหลือเรา อ, อันนี้นะครับเป็ น, นไม่ชอบไปตั้งวายางยนั้นเองตามการชอบ <c oughs> อันนี้หมายถึงลักษณะ น, น, นี้นะครับให้วก็ไม่ช่วยทวงเฉย แต่ว่ามันดีนะท่านเนี่ยในกรณีที่ใบกลนาก็เหมือนกันนะครับไบปลวนานนั่นเป็นใบท่แทนคำพูดนะาโยเขาไม่ได้พูดแต่เขาเขียนใจร้านอักษรใช่ไหมมันก็คือใบที่แทนคำพูดเของเับแล้วไม่มีการแสดงใบ ย, ยมยำมาจัดกรเข้าจัด ก, การเองเสร็จใช่ไหมเข้จาจัดการเสร็จแล้วก็บรรน า, า ม, มาถวายเราเลยมันก็จะเข้ า, ายาามยำมาจกรที่ถูกแสดงให้นี้นะครับเราสา ม, มารถขอทัวร์ได้ไม่จํ า, าจกัดครั้งนะครับนี่ปัญหาเลย สามวิทยุจักรที่เสนอตัวเป็นเองเมื่อพิสุปฏิเสธว่ามิทยุจักรไม่มีพอดีมีคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับเสนอตัวเองว่าเอามันเงินข้าพเจ้าจะจัดหาสิ่งที่สมควรถวายท่านเองทางยกจึงเอาเงินมอบไว้กับคนนั้นแล้วก็กลับไปโดยไม่บอกอะไรแก่พิสุนะครับนี่แหละที่ไม่ได้บอกอะไรกับผ้ามีปัญหา <c oughs> นะครับในผ้า่วงไม่ได้เลยนะ อันนี้ไม่มีการแสดงนะครับพิสูจก็ไม่ได้แสดงทายกก็ไม่ได้แ ส, สดงวายาใช่ไหมแต่คนนั้นเหมือนค้ออ า, ศ า, ศ า, ศาสาที่จเป็นวญญายาช่วยจัดการนั่นเองนะครับแล้วก็ทายกเอาเงินมองแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรกับเราใช่ไหมอันนี้หมดสิทธิ์เลยครับสีว่วายารับหลังทายกเอาเงินมองไว้ตัวประธานของพิสูจนหรือคนที่ตนรู้จักด้วยสั่งไว้ว่าขอให้ช่วยจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายแก่พิสูจชื่อนี้นะ แล้วก็ไปโดยไม่ได้มารแจ้งพิสุส่าท่านไม่รู้เรื่องเลยเขาทํามันเองหมอกมันเองสั่งนั่นเองอะไรเสร็จนะครับท่าไม่รู้เลยนะให้รับหลังว่ายวัชกรมาแค่ที่สามและที่สี่นี้พิสูุไม่มีสิทธิ์จะทวงมีพูดอะไรทั้งสิ้นเหนอ่างนี้นะพูดนั้นไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าเขาจัดหามาถวายเองควรรับได้ถ้าเขาไม่ยอมหาอะไรให้แล้วก็พวกอะไรไม่ได้ วิธีแสดงวัยมะจักรเมื่อพิสูจถวายเมื่อทายกถวายเงินพิสูจจะบอกว่าเอาไปไว้กับคนนั้นดังนี้ไม่ได้นะครับต้องปฏิเสธเท่านั้น น, นั่นตอนแรกเขาจะมาถวายพวกเราปฏิเสธได้อย่างดีเมื่อเขาถามว่าใครเป็นวัยมะจักรถ้าไม่เขาถามาบอกได้แค่ว่าคนนั้นเป็นวายมะจักรถ้าเขาไม่ถามก็แล้วไปนะครับ ก็แค่นั้นจบอับถ้าเขาถามเ้าไม่ถามวายุวจารกเขาถามว่าทำยังไงใช่ไหมล้วก็อธิบายสิขาคนนี้ให้เาฟังเลยไล่เลยนะครับวายุวจารกคือประเภทอะไรก็ว่าไปนะครับอธิบายเอาไปเลยด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ใ, ใจบริสุทธ์น่าตั้งใจเขาผ่อนช้าเกี่ยนุศศาสนานน <c oughs> ต่อไปวิธีฟวง ในสุขาบท น, นี้ทรงสแสดงวิธีทวงเป็นลักษณะไว้ด้วยผ้าดำหลังว่าอัโทโธไม่อบุโสจิวเรนะโยมอตมาต้องการจีวรโดยจะบอกด้วยภาษาใดก็ได้นะครับอันนี้ไม่จอดโจนจะบอกภาษาบาลีนะภาษาใดก็ได้ฉะนั้นเมื่อพิสูจน์จะบอกสิ่งที่ต้องการแก่วายวัจกรต้องใช้คําพูดลักษณะบอกให้ทราบอย่างนี้นะครับผมบอกความประสองค์งเฉยๆนะ จะใช้คำพูดในเชิงสั่งบังคับว่าจงให้จีวรแกระมาไม่ควรถ้าสั่งซื้อว่าจงซื้อจีวรให้เราจีวรที่ได้มาไม่ควรเก็บวิสุผู้สั่งเช่นนี้แต่ลูกอื่นใช้ได้เอามาเอามาทมผมเถอนะนี่อย่างเงี้ยสิ่ง <c oughs> ของอื่นๆก็มีในอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะ ในปัจจัยอย่างอื่นเราที่เหียบมายาวกษจะกรเนี่ยคำทวงก็ลักษณะนี้เขามกความังสงค์เิยพิสูจนยินดีได้นเฉพาะปัจจัยที่สมควรไม่ควรยินดีมูลค่าว่าเรามีอยู่เท่านี้หรอ